พระอนุบัญญัติ44อนึงิกษุใดถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายไม่บอกคืนศนสิขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เศพเมตุนธรรมโดยที่สุดแม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียภิกษุนั้นเป็นปาราชิกหาสังวาดไม่ได้เรื่องพวกภิกษุวัดชีบุตรจบ